พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตา้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อย ดังที่ทรงตัดถามพระอานนท์ผู้ที่เป็นพระอุปถากของพระองค์ว่าอานทน์วันวั น, ว น, วนหนึ่งนี้เธอะระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอานนท์ก็ทูลตอบไปว่าวันละสี่ห้าครั้งพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอานนท์เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ ถ้าเธอไม่อยากจะตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเวลาหายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกก็ตายเวลาหายใจออกก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกนี่เอง อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองถ้าเราเราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบขวนขวายกระทำกิจที่เราควรจะกระทำกิจที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือ เรื่องของความไม่ประมาทถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราก็จะลืมไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันตายของเรานี้จะเป็นวันไหนและอายุเท่าไหร่ก็ไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถกาหนดรู้ได้อย่าง ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็วนี้ก็มีลูกชายพระราชโอรสของกษัตริย์ประเทศดูไบาอายุ34ปีหัวใจวายตายไปอย่างกระทันหันยังเป็นหนุ่มยังมีกำลังวังชามีสุขภาพแข็งแรงแต่หัวใจกับวายไป โดยที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องไม่ประมาทนอนใจจะต้องไม่ให้ปล่อยเวลาอันมีค่าของชีวิตนี้ผ่านไป โดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาเพราะจะทำให้ไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปได้นั่นเองไม่สามารถก้าวเข้าสู่พระนิพพานได้เพราะความประมาทนอนใจคิดว่าชีวิตของเรายังน้อยอยู่เรายังจะอยู่ ไปอีกนานนี่คือความคิดที่เรียกว่าประมาทเราต้องคิดว่าชีวิตของเรานี้มันสั้นเท่ากับลมหายใจเข้าออกนี่เองจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุแปปี90ปีแล้วค่อยตายคนตายนี่มีอายุทุกวัย ตายตั้งแต่อายุหนึ่งวันก็มีเจวันก็มีเจเดือนก็มี7ปีก็มี70ปีก็มีมีทุกวัยดังนั้นเวลาที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราอย่าประมาทนอนใจอย่าไปคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากตอนนี้ขอไปทําอะไรก่อนแล้วรอให้เวลาใกล้าตาย เราค่อยมาปฏิบัติธรรมถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะปฏิบัติได้เพราะถ้ารอจนถึงอายุ 70, 80, เจ80สิบแล้วค่อยมาปฏิบัติก็จะไม่มีกำลังวังชาที่จะปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขอให้เรารีบขวนขวายปฏิบัติธรรมกัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆระลึกทุกครั้งที่เรานึกถึงความตายหรือว่าเวลาที่เราได้สติว่าเรากำลังลืมความตายก็ขอให้เราระลึกกันไวเ้เถิดเพราะเมื่อเราระลึกถึงความตายแล้วเราจะเห็นว่า การกระทำวิลายของเราต่างๆนั้นเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับการที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยกับมีแต่จะดึงเราไว้ผูกเราไว้ให้ติดอยู่กับวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันอยู่ เชนลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่สามารถที่จะช่วยให้เราได้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่กลับจะดึงให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่ไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าท่านก็เอยหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมีลาบยศระดับของพระราชโอรสมีความสุขของระดับพระราชโอรสมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทุกแบบที่มนุษย์ที่จะสรรหามาได้มีความสุข แต่มันเป็นความสุขที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้คือเป็นความสุขชั่วคราวพอมันไม่ได้เสพเวลาใดเวลานั้นความสุขเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วพอมาคิดถึงความแก่ที่จะตามมาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะตามมาคิดถึงความตายที่จะตามมา ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยถ้าเราล ะ, ละลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเราจะได้รีบหาที่พึ่งกันรีบสร้างที่พึ่งใหม่กัน ตอนนี้ที่พึ่งที่เรามีอยู่เป็นที่พึ่งชั่วคราวเช่นร่างกายนี้ก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวสิ่งที่ได้จากร่างกายคือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวแล้ว ต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายที่พึ่งชั่วคราวนี้ก็จะไม่สามารถผลิตความสุขให้กับเราได้อีกต่อไปจะผลิตแต่ความทุกข์จนถึงกับทำให้อยากจะ ฆ่าตัวตายไปคนที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเวลาที่พบกับความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่รู้จักวิธีทําใจให้มีความสุขได้จะคิดแต่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจด้วยความอยากหาความสุขต่างๆอย่างที่เคยหาได้แต่เมื่อร่างกายไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของใจได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปต้องไปหาหมอให้ช่วยจีดยาให้เพื่อจะได้ตายอย่างรวดเร็วจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรอความตายที่จะตามมาซึ่งอาจจะ ยังต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนด้วยกันแต่หมอก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะผิดกฎหมายหมอมีหน้าที่มารักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหน้าที่มาฆ่าร่างกายดังนั้นจึงมีการพยายามในประเทศที่พัฒนาแล้วที่เจริญแล้วให้ออกกฎหมายอนุญาต ให้หมอฉีดยาฉีดสารพิษให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้หนีความทุกข์ของความแก่ความทุกข์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ของความตายแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะหนีความทุกข์ มันเพียงแต่เป็นวิธีที่จะเลื่อนความทุกข์ออกไปเท่านั้นเองพอตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกนี่คือผลของการไม่สนใจคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้างัวแต่ให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายกัน หาความสุขทางลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่เคยนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาเลยว่าถ้าต่อไปเราแก่เราเจ็บเราตายเราไม่สามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แล้วเราจะทำอย่างไรก็จะต้องฆ่าตัวตายกันนั่นเองแต่ถ้า ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังวิธีการสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้เลยความสุขทางตาหูจมูกนึ้นกาย ทางราบยศสารเสริญสุขนี้สู้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันไม่ได้พอเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกล็ดลดผลทพะนี้หายไปหมดเลยไม่สามารถมาเป็นที่พึ่งของใจได้เลย ปล่อยให้ใจนั้นต้องคุกทรมานอย่างแสนสาหัส จ, จนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมากแล้วและคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการดับความทุกข์กันแต่ไม่รู้หรอกว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจขาดปัญญาขาดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายสาเหตุของความทุกข์ใจ เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เพราะอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อที่จะได้รับใช้ความอยากของใจต่อไปคือรับใช้หาความสุขให้กับใจต่อไปนั่นเองแต่ธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนมันเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ต่อให้มีความอยากมากน้อยเพียงไรความปรารถนามากน้อยเพียงไรไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่เป็นเนื่องจากมีความหลงมีความยึดติดกับร่างกายเพราะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ จึงอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งๆ ท, ง ท, งที่ความอยากนี้ทำให้ตอนเองต้องทุกข์ทรมานใจแต่ก็หยุดมันไม่ได้พาะเคยอาศัยร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันที่แก่ที่เจ็บที่ตายก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อที่จะได้หาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปแต่ มันไม่สามารถทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้และนอกจากไม่ทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วยังทำให้ใจนี้ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งความทุกข์ทรมานใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละคือตัวที่ทำให้ ใจต้องทุกข์ทรมานและการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการทำลายความอยากตัวนี้ให้หมดไปความอยากตัวนี้กลับมีเพิ่มมากขึ้นเพราะสร้างความอยากฆ่าร่างกายขึ้นมาอีกนั่นเองนะตอนต้นก็อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พอมันแก่มันเจ็บมันตายก็อยากจะให้มันตายล่ะนี่ก็เพิ่มความอยากขึ้นมาอีกกระทงหนึ่งตอนต้นก็อยากไม่ให้แก่แล้วพอทำไม่ได้ก็อยากให้มันตายนี่คือการสร้างต้นเหตุของความทุกข์ขึ้นมาตัณหาความอยากคือต้นเหตุของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโรที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าความทุก ของใจของพวกเราทุกคนนี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆอันใดในโลกนี้เลยสิ่งต่างๆในโลกนี้เขามีอยู่เขาเป็นอยู่ของเขามาอย่างนี้ตลอดเวลามีเจริญมีเสื่อมมาตลอดเวลามีเกิดมีดับมีตายอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้ความจริงว่า สิ่งต่างๆในโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ห้ามเขาไม่ได้และความทุกข์ของใจที่มาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้ก็เพราะว่ามีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของตนเท่านั้นเองผู้ที่จะหลายก็จะหยุดความอยากแก้ปัญหาที่ความอยากไม่ได้แก้ปัญหาที่ร่างกายไม่ได้ไปแก้ปัญหาของ ร่างกายคือให้มันตายหรือให้มันอยู่ร่างกายจะอยู่จะตายมันไม่ได้ทำให้ความทุกข์ในใจของเราหมดไปหรือหายไปแต่อย่างใดความทุกข์ของเราในใจนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราสามารถหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้เท่านั้นเองนี่วิธีที่แก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยาก และการปฏิบัติธรรมนี้ก็พุ่งเป้าหมายมาที่ตรงนี้นั่นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายกันเวลาที่เราพบกับความผิดหวังในชีวิตเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปสูญเสียร่างกายที่เรารักไปเราจะได้ไม่ต้องมาทุกมาทรมานใจไม่ต้องมาฆ่าตัวตายกัน เพราะเราจะมีวิธีที่เราสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆภายในใจของเราได้เวลาเราเสียอะไรเราก็จะทำใจได้จะทำใจเฉยๆสัตว์วารู้ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดามีกานพัดภาาจากกันเป็นธรรมดาเวลาแก่ก็ทำใจเฉยๆได้เพราะ ลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำใจเฉยๆได้เพราะ e ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เวลาจะตายก็ทำใจเฉยๆได้เพราะรู้ว่าจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่สามารถล่วงพ้นความทุกข์ได้เพราะสามารถทำใจให้เฉยได้เพราะไม่ประมาทนอนใจ ปัญยาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆสร้างเกราะคุ้มกันขึ้นมาให้แก่ใจการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เป็นการสร้างเกราะคุ้มครองจิตใจเหมือนกับสมัยในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้เขาจะต้องใส่เสื้อหุ้มเกราะกันเพื่อกันกระสุน เวลาออกปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดการต่อสู้กันเวลาถูกกะสุนก็จะปลอดภัยกะสุนไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายได้เพราะมีเสื้อคุ้มเกราะกันเอาไว้ฉันใดการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานี้ก็เป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ใจ ถ้าใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์อะไรต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้จะอยู่ข้างนอกใจจะไม่ทำให้ใจทุกข์ทรมานสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยจะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาพบกับการสูญเสีย เวลาพบกับการพัดพลาดจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักเวลาพบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเวลาพบกับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะมีกรุมีเกราะคุ้มครองใจนั่นเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างเกราะคุ้มคลองใจป้องกันใจไม่ให้ไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำจิตใจมาทําลายจิตใจจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายผู้ที่ฆ่าตัวตายนี้ก็คือผู้ที่ไม่มีเกราะคุ้มกันนั่นเองไม่รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักวิธีสร้างเกราะคุ้มกันให้กับใจของตนเองพอ ถูกความทุกข์รุมแล้วก็ไม่รู้จักวิธีแก้ก็แก้ด้วยวิธีที่มาสร้างความทุกข์เพิ่มให้กับใจอีกด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายนี้ก็คือความอยากอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองอยากตายก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งอยากไม่ตายก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งวิธีที่ถูกต้องต้องอยู่เฉยๆเวลายังไม่ตายก็อยู่ไป เวลาตายก็ปล่อยให้มันตายไปแต่ใจจะไม่มีความอยากอยู่หรืออยากไม่ตายเวลาอยู่ก็อยู่ไปไม่มีความอยากตายถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะพิกลพิการจะทําอะไรไม่ได้ก็ตามใจก็อยู่กับมันไปไม่มีความอยากที่จะให้มันตายและเวลาต้องตายก็จะไม่มีความอยากอยู่ะ เวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปนี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับร่างกายกับความเป็นความตายของร่างกายใจต้องอยู่กองกลางใจต้องไม่มีความอยากอยู่หรืออยากตายเพราะว่าถ้ามีความอยากแบบใดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแล้วก็จะสร้างพบสร้างชาติใหม่ขึ้นมา เพราะภพชาตินี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากนี้เองพอร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจถ้ายังมีความอยากอยู่ยังอยากมีร่างกายใหม่อยู่ใจก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่พอเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอปัญหาเก่าอีกก็คือความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วก็จะแก้ปัญหาแบบเก่าอีกแก้ด้วยความ ทุกทรมานใจแก้ด้วยความด้วยการข้าตัวตายหรือตายอย่างทรมานอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทรมานแก่อย่างทรมานเพราะไม่มีเกาะคุ้มครองใจนั่นเองปล่อยให้ความอยากผลิตความทุกข์ขึ้นมาในใจตลอดเวลาเวลาแก่ก็ไม่อยากจะแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ไม่อยากจะตายหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่อย่างใดแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเลย จะรู้เรื่องของร่างกายเพียงดาวเพียงอย่างเดียว ก, ก็คิดว่าถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันทรมานถ้าฆ่ามันแล้วมันก็จะได้หายทรมานแต่มันไม่หายเพราะว่าความทรมานใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจร่างกายตายไปความทรมานใจก็ยังอยู่ที่ใจต่อไปเวลาตายไปก็ต้องไปทุกทรมานอยู่ในอบายก่อนกว่าที่ กำลังของความอยากที่สร้างความทุกข์ทรมานใจนี้มันจะอ่อนลงไปจนกว่าใจจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกแล้วก็กลับมาฆ่าตัวตายใหม่อีกก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติการเวียน่หยตายเกิดก็จะเวียน่หยตายเกิดอย่างทุกทรมานใจไปทุกภพทุกชาติแต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้แต่ละบทแต่ละบาทนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่การลดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปตามลำดับแล้วก็จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นไปอย่างสบายคือทุกน้อยไม่ทุกทรมานเหมือนกับการไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและถ้ามีความสามารถก็อาจจะสามารถที่จะ ยุติการเวียนว่าตายเกิดได้ภายในชาติปัจจุบันนี้เลยอย่างที่ทรงสอนพระภิกษุทั้งหลายที่ได้สละการคลองเรือนแล้วมุ่งไปสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนการเจริญสติในสติปัฏฐานสูตร ส่งสอนให้เจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิแล้วหลังจากออกจากสมาธิก็สอนให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอาสุภะให้พิจารณาความสกปรกของอาหารเพื่อที่จะได้ไม่หลงไหลข้างไข่กับอาหารกับร่างกายกับการเสพการ ผานทางร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าส่งตัดไว้ในตอนท้ายของพระเทศนาว่าถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในเจ็ดวันเลยก็มีถ้าภายในเจ็ดวัน ทำไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าภายในเจ็ดเดือนทําไม่ได้ก็ภายในเจ็ดปีนี้จะต้องมีการหลุดพ้นอย่างแน่นอนเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีการที่มีผู้ปฏิบัติและหลุดพ้นกันมาแล้วกันเป็นจนํานวนมากก็คือบรรดาพระอาหลานตสาวกทั้งหลายท่านก็หลุดพ้นกันในชาติปัจจุบันนั้นเลย พอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัตินีบางท่านก็หลุดพ้นในขณะที่ฟังธรรมเลยก็มีบางท่านก็รอกลับไปปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็หลุดพ้นกันไปนี่แหละคือสิ่งที่จะไม่มีเกิดขึ้นได้ง่ายๆนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือการปรากฏของพระพุทธเจ้า และการปรากฏของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลก สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยเพราะความรู้ความสามารถของสัตว์โลกนั้นไม่สามารถที่จะค้นพบวิธีการดับความทุกวิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเลยต้องรอคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง นานนี้ก็เกิดเป็นกลับเป็นกันเลยการว่ากลับเป็นกันนี่ท่านบอกว่าเป็นเวลาที่ยาวแสนยาวนานแสนนานจนไม่สามารถที่จะวัดได้ว่านานสักแค่ไหนยาวสักแค่ไหนนั่นแหละถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ หลุดพ้นกันขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยอย่างในสมัยปัจจุบันนี้เราก็คงจะทราบเรื่องของหลวงปู่มัน่นผู้ที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งปฏิบัติทำเพื่อหลุดพ้นพอหลวงปู่มัน่นท่านหลุดพ้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นก็บรรลุ หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากเลยอันนี้คือความวิเศษของพระพุทธศาสนาความวิเศษของพระพุทธเจ้าการตัดสั้ของพระพุทธเจ้าและการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราจึงมีโอกาสในปัจจุบันชาตินี้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนไม่มีหลวงปู่มั่นมาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็นำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอีกต่อหนึ่งพวกเหล่านี้จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแบบนี้จะไม่ได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลย จะไม่มีโอกาสจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจเวลาที่จะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บและพบกับความตายเลยแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสแล้วสามารถที่จะปฏิบัติจนทำให้เหล่านี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างราบคาบสามารถที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ต้องทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บ ทุกกับความตายเลยสามารถมีความสุขอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆการระลึกถึงความตายนี้ก็เป็นการเจริญสติในรูปแบบหนึ่งเหมือนกับการบริกรรมพุทโธผู้ใดที่มีจิตที่กล้าหาญไม่กลัวความตาย สามารถใช้การเจริญวานานุสตินี้ได้เหมือนกับการใช้กา ร, รคำบริกรรมพุทโธแต่ถ้าผู้ใดมีจิตที่ไม่กล้าหารพอพอคิดถึงความตายแล้วก็เป็นเหมือนเทียนถูกไฟลนก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธสร้างกำลังของใจให้เกิดขึ้นก่อน ใช้คำบริกรรมพุทธโธอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกับการใช้มรนานุสติถ้าใช้พุทธโธได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นมาพอแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเจริญมรณานุสติได้เพราะการเจริญมรณานุสตินี้นอกจากเป็นสติการเจริญสติแล้วก็เป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยการจะ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องหลุดพ้นด้วยสติและปัญญาสติเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถหลุดพ้นได้เช่นการใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปนี้จะได้เพียงแต่สติกับสมาธิเท่านั้นแต่จะไม่ได้ปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้แต่ถ้าจเจริญมรณานนสติคิดถึงความตายนี้ จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะ็รจะต้องตายภายในสามเดือนนี้ความอยากเที่ยวนี้หายไปหมดเลยความอยากหาเงินหาทองความอยากหาความสุขทางร่างกายนี้มันจะหายไปหมดเลยเพราะมันรู้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วทีนี้มันก็อยากจะหาธรรมะแล้ว อยากจะหาความสงบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับความตายของร่างกายที่จะตามมานี่แหละคือเครื่องมือคือปัญญาความตายนี้การพิจารณาความตายนี้คือปัญญาไม่ใช่เป็นความอับประมงคนเหมือนคนทางโลกคิดถึงกันคนทางโลกนี้จะไม่ยอมใช้คําว่าตายเลย เวลาตายนี้ก็จะใช้คำว่าไม่หายใจบ้างไปสวรรค์บ้างแต่ไม่ยอมใช้คำว่าตายเพราะคิดว่าพอคิดถึงความตายแล้วตนเองจะตายขึ้นมาทันทีทันใดถ้าความคิดของตนของตนวิเศษอย่างนั้นก็ดีเลยก็คิดเป็นมหาเศรษฐีมันจะได้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันทีทันใดมันก็ไม่เป็น การจะเป็นอะไรนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราเพียงอย่างเดียวมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดขึ้นมาคิดว่าตายแล้วมันไม่ตายหรอกถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายนอกจากไปเอาปืนมายิงตายริงตัวเองตายเท่านั้นเหมือนถึงจะตายแต่เพียงแต่คิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายนี้มันไม่ทำให้เราตายหรอกแต่มันจะทำให้กิเลสตายมันจะทาให้ตันหาความอยากตาย เพราะคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าเช่นวันนี้อาจจะเตรียมแผนแล้วว่าเย็นนี้เดี๋ยวจะไปงานเลี้ยงงานวันเกิดของเพื่อนงานอครบรอบงานอะไรต่างๆงานแต่งงานแต่พอรู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องตายนี่ยังอยากจะไปเที่ยวกันอยู่หรือไม่จะไม่อยากไปแล้วจะอยากหาวิธีทําใจให้สงบเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับ ความตายนี้เองเพราะว่าเวลารู้ว่าจะต้องตายนี้ใจจะไม่สงบอย่างแน่นอนถ้าไม่เคยฝึกฝนอบรมมาก่อนแต่ดนะ้ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วเวลาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็จะสามารถใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้ดับความวุ่นวายใจได้อย่างทันท่วงทีะ ใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเลยนี่แหละคือประโยชน์ของการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มันจเจริญมอนานุสติอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ตัดความอยากการหาความสุขทางร่างกายลงไปนั่นเองเพราะรู้ว่า ร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายจะต้องแก่จะต้องเจ็บเวลาแก่เวลาเจ็บก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานจนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายได้พอคิดอย่างนี้แล้วก็จะได้รีบขวนขวาย เชนวันนี้แทนที่จะไปงานเลี้ยงกันก็อาจจะไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบกันไปเจริญปัญญากันไปปฏิบัติทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตัดภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปภารกิจที่ไม่จำเป็นคืออะไรก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง ด้วยการถือศีลแปดวิธีที่จะตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้ถือศีลแปด่ิถ้าถือศีลแปกก็ถือว่าเราตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแล้วเราจะได้มีเวลาเอาเวลาที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญา เพื่อทำให้ใจมีความสงบมีความเย็นมีความสบายเพื่อที่ใจจะได้รับกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราก็ยังจะหลงกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาสร้างปัญญาสร้างสมาธิสร้างสติ เพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราเวลาเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาใจของเราก็จะต้องถูกความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีเสื้อกันกระสุนเวลาออกไปปฏิบัติการถ้าไม่ใส่เสื้อกันกระสุนเวลาคู่ต่อสู้เขายิงปืนมาถูก ร่างกายก็จะต้องทะลุเข้าไปในร่างกายอย่าต้องบาเดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่เสียชีวิตไปแต่ถ้ายอมเสียเงินไปซื้อเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อเหล้าซื้อสุราซื้อบุหรี่ซื้ออะไรต่างๆนี้มาซื้อเสื้อกะการกุศลเอาไว้ใส่เวลาออกปฏิบัติการเวลาถูกยิงก็จะได้ปลอดภัยกุศจะไม่เข้าสู่ร่างกาย พวกเราก็เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเราต้องยอมเสียสละเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอามาซื้อบุญซื้อกุศลเอามาทำบุญเอามาปฏิบัติธรรมดีกว่าเอามาเจริญสติเอาม า, าจเจริญสมาธิเอามาจเจริญปัญญาเพื่อที่เราจะได้มีเสื้อการกระสุนสวมใส่ให้แก่จิตใจของพวกเรา เวลากระสุนของความทุกข์มันมันพุ่งตรงเข้ามา bathroom. ที่ใจของเราใจของเราจะได้มีเกราะคุ้มกันจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนเช่นบุคคลที่มีเสื้อกรเกรสุนของใจนี่คือใครก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต่อสาวกทั้งหลายนี่เองใจของท่านมีเสื้อกรเกระสุนกระสุนก็คือความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากการแก่ก็ดีเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดีเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่รักบุคคลที่รักไปก็ดีหรือเกิดจากการพบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบบุคคลที่ไม่รักไม่ชอบก็ดีความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาทำลายจิตใจได้เลยจะเข้ามาไม่ถึงจิตใจ เพราะจะมีเกราะกันความทุกนี้คือทำที่สงสอนให้ปฏิบัตินั่นเองด้วยการจเจริญมานานสติอยู่เรื่อยเพื่อที่จะได้ทำให้ไม่ประมาท น, นใจไม่ันไม่ผัดวันประกันพุ่งให้รีบเร่งขวนขวายปฏิบัติธรรมกันแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาลาบยศสรรเสริญกัน ก็ให้มาหารมกันหาสติหาปรราัญญาหาสมาธิกันนี่แหละคือเหตุหรือจุดที่มีความแตกต่างในชีวิตของพวกเราอยู่ตรงจุดนี้เองว่าเราจะเดินชีวิตของเราไปในทางไหนถ้าเราเดินไปในทางลาบยศรสรรเสริญสุขเราก็จะไม่มีเกาะคุ้มการจิตใจ เวลาเจอความทุกข์ต่างๆใจของเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจไปจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายได้แต่ถ้าเราไปอีกทางหนึ่งไปทางของพระพุทธเจ้าไปทางปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราไปวัดกันไปปฏิบัติธรรมกันไปรักษาศีลแปดกัน วันพระนี้ชาวบ้านเขาจะถือว่าเป็นวันรักษาศีลอุโบสถวันธรรมดาเขาจะรักษาศีลห้าทำบุญใส่บาตรส่วนวันพระนี้เขาจะไปอยู่วัดเพื่อไปรักษาศีลแปดไปตัดการหาความสุขทางตางหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันไปสร้างสติไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญากัน การกระทำในวันพระนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทำเพียงแต่เฉพาะวันพระแต่เป็นวันเป็นการเริ่มต้นนะก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องมีการเริ่มต้นก่อนอย่างมีคำพูดว่าการเดินทางระยะยาวไกลถึงร้อยกิโลพันกิโลก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกก่อนนะถ้าไม่มีการก้าวแรกก้าวออกไป การเดินทางก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะใกล้หรือจะกไกลขนาดไหนก็ตามต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกก่อนก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนก็คือการไปวัดในวันพระไปถือศีลอุโบสถถือถือศีลแปดนี้คำว่าศีลอุโบสถก็คือถือศีลแปแล้วก็อยู่ในพระอุโบสถไม่กลับบ้าน เพราะถ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วมันมีสิ่งต่างๆที่จะมาคอยทําลายศีลแปดได้นั่นเองอยู่บ้านมีคนกินข้าวเย็นพอเห็นเขากินข้าวเย็นก็อดไม่ได้เดี๋ยวศีลแปก็ขาดแล้วอยู่บ้านอยู่ใกล้แฟนอยู่ใกล้สามีอยู่ใกล้ภรรยาเดี๋ยวเขาก็ชวนไปร่วมหลับนอนกันศีลข้อสก็ขาดแล้ว อยู่ที่บ้านมีคนดูละครดูทีวีกันมีคนทำอะไรต่างๆเล่นการ์ดดูโมหเรลศแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรกันต่างๆพอเห็นเขาทำเดี๋ยวใจที่เคยทำก็อ่อนก็อยากจะทำตามเขาได้ถึงไม่นิยมถือศีลแปดที่บ้านกันสาหรับผู้ที่ ยังไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งพอต้องไปถือศีลแปดที่วัดไปอยู่ในพระอุโบสถเพราะในพระอุโบสถนี้ในโบสถ์นี้จะไม่มีคนกินข้าวเย็นจะไม่มีการร่วมหลับนอนกันจะไม่มีทีวีให้ดูไม่มีละครให้ดูไม่มีภาพยนตร์ไม่มีเพลงให้ฟังมีแต่การสวดมนต์มีแต่การฟังเทศฟังธรรมมีแต่การนั่งสมาธินี่คือ ก้้วแรกของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นการเดินทางที่ระยะยาวนานพอสมควรสำหรับบางคนอาจจะต้องใช้หลายภพหลายชาติถ้าอินซีไม่แก่ก้าพอสติปัญญาไม่แก่ก้าพอไม่สามารถสร้างเอ็นซีให้แก่ก้าพอได้ในชาตินี้ก็อาจจะต้อง รอไปทำต่อในพบหน้าชาติหน้าแต่สำหรับคนบางคนที่มีอินทรีย์ที่แก่ก้าคือมีความเพียรที่แก่ก้ามีความขยันหมั่นเพียรมากมีความอดทนมากมีความปรารถนามากนี้ก็อาจจะสามารถทำให้ระยะการเดินทางนี้สั้นลงได้เจ็ดวันบ้าง7จเดือนบ้างหรือเจ็ดปีบ้างแต่ถ้ามีความเพียร น, น้อยมีความปรารถนาน้อย ก็อาจจะเป็นเจดชาติหรือเจ็ดกับก็สุดแท้แต่อันนี้ก็อยู่ในอยู่ที่แต่ละบุคคลที่จะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงไรผู้ที่เห็นความสำคัญมากก็จะปฏิบัติมากผู้ที่เห็นความสำคัญน้อยก็จะปฏิบัติปฏิบัติน้อยผลที่เกิดก็จะมากน้อยตามการปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยก็ผลก็น้อยปฏิบัติมากผลก็มากมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไขไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่พระอาารหันตสาวกไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเองว่า จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่เท่านั้นเองนี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาของพวกเราอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราปฏิบัติได้มากได้น้อยเท่านั้นเองเรายังเสียเวลาไปกับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ต้องรีบหาวิธีดึงมันออกมาให้ได้ เช่นการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นวิธีที่จะดึงให้เราออกมาจากการหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพราะถ้าเราคิดถึงความตายแล้วเราก็จะรู้ว่าการหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มันจะหมดหมดความสําคัญไปเลยเวลาที่เราจะต้องตาย นี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ดึงใจของพวกเราให้ออกจากการเดินไปในทางของลาบยศสรเสริญสุขแล้วให้เดินเข้าสู่ทางของการปฏิบัติธรรมให้เดินเข้าสู่การทำทานการรักษาศีลและการภาวนาเพราะเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองถ้าเรามาทางนี้แล้วรับรองได้ว่าการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราคือพระนิพพานนี้เองเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสสาวกทั้งหลายได้ไปถึงและเราก็จะไปเราก็จะได้ไปถึงที่นั้นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนถ้าเราพยายามดึงใจของเราให้ออกจากการ ไปแสวงหาลาบยศสละเสริญสุขแล้วให้มาแสวงหาทานศีลภาวนาหาแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานที่จะตามมานี่คือประโยชน์ของการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยผู้ใดระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยผู้นั้นมักจะหลุดพ้นจากการเวนว่ายตายเกิดกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกทั้งหลาย ท่านรึกถึงความตายกันตลอดเวลาท่านจึงไม่หลงไหลกับการหาราบยศสารนสนุขท่านกลับมาหาความาความสุขทางการปฏิบัติธรรมหาความสงบทางใจที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้อย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นจะไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายใจของผู้ที่สงบได้เลย จึงขอฝากเรื่องของการระลึกถึงความตายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปุราปุเรเปเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตติน e ังเปตานังอุปกาปฏิอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพเปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติ ระโสยะาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายูสุขีทีตาโยโกภวะอภิวาทนัสสิตสธนิจังวุทาปจายโนจตารุธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ตอนนี้แล้วถ้าไม่มีใครก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ต คำถามที่ตอบในอินเทอร์เน็ตที่ตอบก็จะไปใส่ใน YouTube ไว้ในคืนนี้ผู้ที่อยู่บ้านก็สามารถที่จะติดตามฟังฟังคำถามคำตอบของตนได้คำถามจากคุณกหนกพรข้อที่หนึ่งเบื่อขันห้าก็ควรเบื่อราคะปฏิคด้วย ทำอย่างไรเราจึงเห็นทุกเห็นโทษในอารมณ์ทั้งสองด้วยคะเห็นเวลาที่เราไม่มีมันเวลาเราอยากจะได้อะไรเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะไม่เห็นโทษของความอยากเราต้องเห็นตอนที่เราอยากแล้วเราไม่ได้เช่นเวลาที่เราไม่สบายเราอยากไปเที่ยวแต่เราไปเที่ยวไม่ได้เวลาที่เราแก่ เราอยากจะไปเที่ยวเหมือนสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเที่ยวไม่ได้เวลาเราจะตายให้คิดอย่างนี้ถ้าเรามาคิดถ้าเรามาคิดตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันจะไม่เบือเ่อเพราะมันอยากจะได้อะไรมันก็สามารถทาตามใจอยากได้แต่เราต้องคิดว่าเวลาที่ร่างกายมันไม่สามารถทาตามใจอยากได้แล้วจะเป็นอย่างไร เลอเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปนี้จะเป็นอย่างไรคนที่เสียคนรักไปในบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายไปก็มีต้องดูตอนที่สูญเสียตอนที่ไม่สามารถทําตามความอยากได้เราก็จะเกิดก็จะเห็นความทุกข์เห็นแล้วก็จะเบื่อกับการมีความอยากกับสิ่งต่างๆได้ข้อที่สอง สัตว์ทั้งหลายมีสัญญาอารมณ์จำรักจำโลภจำโกรธจำหลงได้ทำอย่างไรเราจะแก้ความจำในทางเร็วๆนี้ได้คะก็อย่าไปโลภไปโกรธไปหลงทุกครั้งที่โลภ ก, ก็อย่าทำตามความโลภทุกครั้งที่โกรธก็อย่าทำตามความโกรธต่อไปมันก็จะมันก็จะไม่มีความโลภความโกรธอยู่ในความสรงจำต่อไป และเราจะมีโอกาสที่จะลืมความจาทั้งในทางดีและทางเลวได้หรือไม่คะถ้าเราค ว, ควบคุมความคิดความอยากของเราได้เราก็สามารถที่จะคิดไปในทางใดก็ได้แต่เราจะสามารถควบคุมใจของเราให้ทำหรือไม่ทาตามที่เราคิดได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้ เวลาใจเราคิดถึงอะไรมันก็จะทำตามที่มันคิดทันทีซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาสอนใจให้หยุดความคิดแล้วก็ไม่ทำตามความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ให้คิดไปในทางที่ดีแล้วก็ทำตามความคิดที่ดีเพราะความคิดที่ดีนาความสุขมาให้ ความคิดที่ไม่ดีนำความทุกข์มาให้แต่ต่อไปถ้าเราไม่เราสามารถไม่ทำตามคามทำทตามความคิดได้แล้วจะคิดดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคําถามจากคุณสุ ข, ขุมการถือศีลห้ากับศีล8ปช่วยในการนั่งสมาธิพัฒนาต่างกันไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าศีลห้ายังเป็น ข้อห้ามที่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่มากพอคื อ, อยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไ ม, ไม่ได้ห้ามไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่ได้ห้ามรับประทานอาหารเย็นไม่ได้ห้ามของเหล่านี้มันก็เลยทให้ไปทำสิ่งเหล่านี้ได้คนที่ถือสีหน้าเย็นนี้อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ อยากจะไปงานเลี้ยงก็ไปได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้แต่คนที่ถือศีลแปดนี้ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้จะทำอะไรก็นั่งสมาธิคนที่ไปได้ก็ไม่มีเวลานั่งสมาธินี่คือความแตกต่างระหว่างศีลห้ากับศีลปดคำถามจากผู้ฝากถามคนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง จำเป็นหมาคะว่าต้องทําบุญเกี่ยวกับเสนาสนะเพื่อหวังอานิสงฆ์ว่าตายไปจะได้มีวิหารทานหรือว่าแค่ทําบุญด้วยการสละทรัพย์โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องสร้างเสนาสนะก็ได้อานิสงฆ์เท่ากันคือการไม่มีบ้านเนะี่ยดีกว่าการมีบ้านนะพระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหานเพราะท่านไม่มีบ้านอยู่เพราะว่าถ้าท่านมีบ้านอยู่ท่านก็จะติดบ้าน ติดความสุขกับการอยู่ในบ้านก็จะติดกับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนาะความหลุดพ้นจากกองทุกข์จึงต้องออกจากบ้านกันออกจากการเป็นผู้คาระหัดผู้ครองเรือนเพื่อไปอยู่แบบผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่คือบันปชิตกดังนั้นถ้าทําบุญก็ทําเพื่ออย่ามีบ้านดีกว่าถ้าทําบุญเพื่อมีบ้านก็แสดงว่ายังเป็นกิเลสยังเป็นตันหาอยู่ ทำบุญแบบนี้ไม่ดีทำบุญเพื่อที่จะได้ไม่มีเงินไม่มีทองซื้อบ้านไม่มีเงินไปเที่ยวจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมให้ให้คิดอย่างนี้จะดีกว่าอา๋อมีแค่อเองเหรอวันนี้สั้นเหลือเกินเ อ, เ, อเชิญเชิญมาอายากถามบ่าอาจารย์นะว่าเวลาทําบุญนี้จำเป็นต้องอธิษฐานไหมครับ หรือไม่ต้องอธิษฐานก็ได้คือคําว่าอธิษฐานนี่เราเข้าใจผิดกันไงคุณหมายความว่าทําก่อนเวลาทําบุญนี่อธิษฐานขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี่ใช่ไหมถ้าขอก็อย่าไปอธิษฐานเพราะว่าคําว่าอธิษฐานนี้ไม่ใช่แปลว่าขอทางภาษาพระนี่คําว่าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจถ้าเราทําบุญแล้วเราอธิษฐานว่าขอให้ได้ทําบุญไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันถ้าอธิษฐานแบบนี้ดีเพราะาอธิษฐานที่เหตุ ที่การกระทาเพราะการกระทามันจะนาผลมาให้กับเราไม่ได้อยู่ที่การไปขอผลผลมันไม่เกิดถ้าเราไม่ทำงั้นถ้าเราอยากจะได้ผลเราต้องอธิษฐานที่เหตุว่าชาตินี้ขอให้ได้ทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆให้อธิษฐานอย่างนี้เพื่อเราจะได้ตั้งใจทำบุญกันแต่ถ้าเราเพียงแต่อธิษฐานครั้งนี้ว่า ทำบุญแล้วขอให้ไปพระนิพพานล้วอาจจะขอคนเดียวแล้วก็พอแล้วไม่ต้องทำแนละ้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้พระนิพพานแลวทำบุญแล้วเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะคอย่างนี้คือเราต้องรู้ตักเป้าหมายของการทำบุญเหมือนกับเราทำอะไรเราต้องรู้เหตุผลของการกระทาของเราเราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อไปหาวิชาความรู้เราทำทานนี้เพื่อหนึ่งละความตนี และความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราสองละความอยากอยากที่จะใช้เงินทองนี้ไปหาความสุขเช่นเอาเงินไปเที่ยวคืนนี้ไปเที่ยวไปกินเลี้ยงกันไปดูภาพยนตร์ไ ป, ไปทเที่ยวกันก็เอาเงินก้อนนี้มาทําบุญแทนเ่ราะเราทําบุญเราก็จะไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะตัดความอยากเที่ยวลงไปได้แล้วการทําบุญก็จะทําให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจ ทำให้ความอยากเที่ยวน้อยลงไปอยากจะใช้เงินเพื่อหาความสุขน้อยลงไปแล้วต่อไปเวลาเราไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงทำเพื่อตัดความอยากตัดความตนีความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดความโลภอยากได้เงินทองมากๆเพราะว่าเงินทองนี้มันเป็นอันตราย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจไปสู่พระนิพพานถ้าเรายังยึดติดกับเงินทองอยู่เราจะไม่สามารถไปอยู่แบบพระได้ไปปฏิบัติแบบพระได้นั่นเองนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงของการทำทำบุญในพระพุทธศาสนาแต่อ น, นิีงสงของการทำบุญนี้มันมันมีของมันในตัวของมันเองเราจะขอหรือไม่ขอก็ตามเราทำบุญเราก็จะได้บุญนั้นกลับมาหาเรา เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราฝากเท่าไรเราก็จะได้เงินนั้นกลับมาหาเราในภพหน้าชาติหน้าต่อไปชาตินี้เราทำบุญไปร้อยร้อยบาทชาติหน้าเรากลับมาเราก็จะได้เงินมากกว่าร้0ยบาทเพราะมันเหมือนกับการปลูกข้าวเราปลูกข้าวมเมล็ดหนึ่งนี่เราได้ต้นข้าวหนึ่งต้นแต่เราจะได้รวงข้าวหลายหลายมเมล็ดด้วยกันดังน้การทาบุญนี้ก็จะมีอ น, นิสงส์ส่วนนี้อยู่ ทำแล้วมันจะกลับมาหาเราอย่างพระเวชสตฺทรท่านก็ทำบุญมากสลทรัพ์สมบัติเงินทองมากพอตายไปจิตของท่านก็ไปเป็นเทวดาก่อนไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วหลังจากกลับมาจากสวรรค์ก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารับผลบุญที่ได้ทำไว้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีพระราชทรัพย์มีประสาทสามฤ ด, ดูมีความสุขอะไรต่าง อันนี้เป็นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทําบุญแต่การทําบุญที่แท้จริงของของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตรงนี้พุ่งเป้าไปเพื่อที่ทําให้เรายากจนไม่มีเงินไปเที่ยวไม่มีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเมื่อเราไม่มีเงินไม่เราก็จะไม่มีเราก็จะได้ไม่ไปเที่ยวไม่ไปใช้เงินใช้ทองเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรม คนที่มันจะบวชนี่ท่านหนึ่งบางครับบวชให้สละทรัพย์ไปให้หมดถ้ามีทรัพย์มันก็เดี๋ยวก็จะใช้ทัพย์ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี้ก็จะไม่ภาวนามาบวชเป็นพระท่านก็ห้ามไม่พระรับเงินรับทองเพราะเดี๋ยวมีเงนินมีทองเดี๋ยวก็เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นะแทนที่จะไปี่เข้าป่าเข้าเขาไปภาวนาก็ไปเข้าตามสถานบันเทิงไอ้ไปตามศูนย์การค้าอะไรต่างๆใช่ไหม เพราะมีเงินไปเงินมันพาไปเงินนี้มันเป็นตัวขวางพะนิพานพูด ง, ง่ายๆผู้ที่ต้องการไปพะนิพานนี้จะต้องไม่มีเงินต้องไม่ใช้เงินไม่หาเงินเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้าสมมติ ต, ต, ตายโดยอุบัติเหตุถือว่าตายแบบนั้นก็กลับมาเกิดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปตัดความอยากช่วงเจ็บนะช่วงเจ็บนะอา่ามันตายการทนานมันก็เจ็บเจ็บเดียวเดียวเจ็บแล้วหน่อย ถ้าตายแบบไปโลกมะเร็งนี่ก็สามเดือนหกเดือนเอีแบบนิดเดียวมันเวลาจิตมันเยอะกว่าหรือเปล่าไม่เจ็บมากเจ็บน้อยไม่ได้อยู่ที่เจ็บที่ร่างกายแต่เจ็บที่ใจถ้ากลัวเจ็บมากก็จะเจ็บมากทางใจถ้ากลัวเจ็บน้อยก็จะเจ็บน้อยในการมาปฏิบัติธรรมนี้เมื่อมาฝึกให้ไม่ให้กลัวความเจ็บพอไม่มีความกลัวความเจ็บแล้วเวลาร่างกายเจ็บใจจะไม่เจ็บ ความเจ็บที่ร้าร้าร้กาจไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความเจ็บของใจอย่างเวลาหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องฉีดย้ายสักเข็มนึงนี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันเจ็บไปก่อนแนละ้วเข้าใจไหมเนี่ยเราต้องการมาหยุดไอตัวตัวความเจ็บที่ใจด้วยการให้มันฝึกเจอความเจ็บบ่อยๆนั่งสมาธิก็ให้มันเจ็บแล้วพยายามควบคุมใจให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้ะ ที่มันทุกข์ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจความกลัวความเจ็บความไม่อยากเจ็บเราต้องทำลายตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นการสร้างความเจ็บที่ร้ายกาจให้กับใจของเราด้วยการนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปเวลาเจ็บก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บให้พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วความเจ็บในใจจะไม่มีแล้วมันจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ พระพุทธเจ้าพระ้าหลานนี่ท่านไม่เจ็บใจของท่านไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายท่านจะตายแบบไหนท่านไม่เดือดร้อนท่านรับมันได้ทุกรูปแบบอาจารย์ครับเอสมมติเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วข้ามขั้นไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมได้ถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปเมื้อบาปกับบุญเท่ากันเวลาตายนี่บุญกับบาปมันจะมาแยกจิตของเราไป ถ้าบาปที่เราทํามากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปเกิดในอบายถ้าบุญมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันจะดึงไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ดึงไปอบายไปก็ไปไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์แทนแต่ยากที่เราจะทําบุญทําบาปเท่าๆกันมันใครจะมาจดบัญชีไว้ใช่ไหมว่าวันนี้ทําบาปเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่เนย่ยมันก็ต้องไปก็ไม่เป็นไรขอให้บุญมันมากกว่าบาปไว้ก็แล้วกัน การไปสวรรค์ก็เหมือนกับการไปเที่ยวไปรับรางวัลเข้าใจไหมพอไปเที่ยวเสร็จก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาทํางานเหมือนเวลาเราทํางานแล้วก็หาเงินหาทองพอเรามีเงินพอแล้วก็ซื้อตั๋วไปเที่ยวกันพอเราไปเที่ยวใช้เงินหมดล้วก็กลับมาหาเงินใหม่ก็วนอย่างนี้ไปจนกว่าจะอยากจะหยุดเที่ยวหยุดหยุดหยุดใช้เงินใช้ทองหยุดหาความสุขทางร่างกายก็ต้องบวชต้องปฏิบัติธรรม เพื่อตัดความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดจะมีบุญมากแค่ไหนบาปมากแค่ไหนบุญกับบาปก็ไม่สามารถดึงเราไปได้เพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรแล้วแล้วถ้าเป็นเทวดาแล้วยังตกนรกได้ไหมครับได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่ออย่างเงี้ย อ, อแล้วถ้าบาปมันมากคราวหน้าบาปมากกว่าคราวนี้มันก็ไปนรกครับ ไม่ใช่เทวดาบังนรกเลยไม่ใช่ไม่ต้องมาเป็นต้องผ่านมันเป็นมนุษย์ก่อนมาสร้างบาปใหม่ก่อนอย่างพระเทวทัพนี่เป็นมนุษย์แล้วมาบวชเป็นพระได้จิตเป็นอยู่ในระดับสวรรค์แ ล, ล้วแต่พอมาทำบาปคิดฆ่าพระตระเจ้าจิตก็เลยกลายเป็นนรกไปพอตายก็ตกนรกไปกราบทศการพระอาจารย์ครับเอขอเรียนถามข้อธรรมะ ก็อพอดผมอ่านของครูบาอาจารย์นะครับเขาบอกว่าการเกี่ยวกับแยกรูปแยกนามอะครับพอดีเห็นสภาวะว่ากายอยู่สิ่งหนึ่งใจสิ่งหนึ่งอยากสอบถามพี่ว่าสภาวะที่บอกว่าเห็นกายก็เห็นใจแ ย, ยากกันนะครับมันไม่มาจับกันใช่สภาวะการแยกรูปแยกนามไหมครับมันเป็นการแยกจะว่าแยากรูปแยกนามก็ได้เพราะใจนี้ก็ถือว่าเป็นนาม ส่วนร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเวืทีจะแยกขั้นต้นก็ต้องแยกด้วยสติคือทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันใจจะรวมเข้าสู่ความสงบอยู่เป็นใจล้วนๆส่วนร่างกายก็ไม่ไปรับรู้มันแยกมันออกจากกันนี่เรียกว่าแยกด้วยสมาธิแยกด้วยสติแล้วพอแยกด้วยนี้แล้วพอออกจากสมาธิมามันก็จะกลับมารวมกัน นามกับรูปกายกับใจก็จะกลับมารวมกันก็ต้องใช้ปัญญาแยกต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจอย่าไปผูกใจเราไว้กับร่างกายร่างกายเป็นอะไรดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปดูแลไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเหมือนกับเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งดูล่างกายนี้เป็นเหมือนหมาส่วนใจนี้เป็นเหมือนเจ้าของหมาก็ดูมันไปแต่อย่าไปทุกข์กับมันเพราะว่า ทุกยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีนี่คือการแยกด้วยปัญญาหลังจากที่เราแยกด้วยสมาธิแล้วครับปัญญานี่ต้องเราคิดเองนะครับบางทีท่านเขาก็สอนเรามาเองก็คิดเองด้วยแล้วก็ปัญญาเก่าที่มีอยู่มันก็จะออกมาเองปัญญาใหม่ไม่มีก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราเคคิดแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราส่วนไหนที่เรายังไม่คิดเราก็ต้องคิดขึ้นมาใหม่ครับเอ่อ แต่ก่อนนีงเข้าใจว่าทุกมันเป็นทุกใช่ไหมครับตอนทีนี้เห็นสุขมันก็ยังทุกอยู่ครับยังเห็นถูกครับเพราะสุขเหมือนแค่เราทุกนิดเดียวทุกน้อยลงก็ยังเป็นแค่สุขเพราะว่ารเรายังอยากให้ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราไม่ปล่อยวางมันเต็มที่ถ้าเราปล่อยวางมันเต็มที่เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่กับเรื่องใดเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีถ้าเรารู้ว่า ความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วก็หยุดความอยากเราเสียพอหยุดความอยากเราเสียความทุกข์ใจเราก็ไม่มีกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความอยากใช่ไหมครับอ่าปัญญาต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจของเราบดีเราไปรู้สึกเข็ดร่างกายรู้สึกเข็นใจไม่เป็นไรครับกลับไปกลับมาได้ถ้าเรารู้สึกสองอย่างนี้ครับก็ธรรมดาถ้าเราไม่มีปัญญา ใจกับร่างกายมันจะรวมกันจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันเราถึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจถาวรร่างกายไม่ถาวรไม่สักวันหนึ่งร่างกายก็ต้องจากเราไปแต่เราไม่ต้องทุกข์ไปกับมันเพราะเราไม่ได้ไปกับมันเราไม่ได้ตายไปกับมันที่เราทุกข์เพราะเราหลงคิดว่าเราเป็นมันคิดว่าเราตายไปกับมัน นี่คือปัญญามาแยกแยะอีกทีหนึ่งแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดส่วนร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งของใจอีกทีหนึ่งร่างกายไม่รู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้นมันจะแก่จะเจ็บจะตายนี่มันไม่รู้เออย่างผมนี่มันจะสีขาวสีดํามันไม่รู้ว่ามันขาวหรือดอแต่คนรู้คือใจแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กับการ การแก่ของร่างกายไปเท่านั้นเองเพราะยังไม่อยากแก่พออยากแก่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ถ้าเรามีความสุขจากการปฏิบัติรมได้ความสงบแล้วเราก็ทิ้งร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราก็ปล่อยได้เวลามันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ไปทุกข์กับมันได้ตอนนี้มีคาว่าเราอยู่ใช่ไหมครับมันยึดติดคาว่าเราตรวจตนอยู่ก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราไงต้องสอนอยู่เรื่อยๆครับ แล้วต่อไปมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงไว้หรือคนรับใช้ที่สักวันหนึ่งเขาจะต้องลาเขาต้องจากเราไปเพราะชีวิตเขาสั้นกว่าเราใจนี่มีชีวิตยาวนานกว่าร่างกายเป็นแสนล้านเท่าเพราะใจไม่มีวันสิ้นไม่มีวันตายแต่ร่างกายนี้มันต้องตายเราจึงต้องเปลี่ยนร่างกายมาอยู่เรื่อย ร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอใ ห, หม่เพราะเรายังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการได้สมาธิเราก็หยุดใช้ร่างกายได้พอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ครับเข้าใจนะเข้าใจครับครับขอบคุณครับขออนุญาตสอบถามนะครับ ในกรณีที่เราใกล้จะตายอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปแล้ลึกถึงบาปที่เราเคยกระทําแล้วเราเกิดสํานึกผิดแล้วตายในขณะนั้นเนี่ยจะส่งดวงจิตเนี่ยไปนรกหรือว่าไปไปในทางสวรรค์ น, นะครับคือไม่อยากจะตอบปัญหานี้เพราะว่ามันไม่รู้จะเป็นได้อย่างที่ถามหรือเปล่าวิธีที่ดีที่สุดก็พยายามทําบุญให้มากทําให้มันมากกว่าบาป แล้วเวลาตายไปบุญนี้จะมีกำลังมากกว่าที่จะดึงใจของเราไปทางบาปได้ครับแต่เรามานั่งคิดทางทฤษฎีนี่มันยากเข้าใจไหมครับยังถ้าอยากจะไปทางสวรรค์ก็คิดดีตั้งแต่ตอนนี้สำนึกผิดเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าจะได้มั่นใจไม่ใช่มารอวาระสุดท้ายเวลานั้นบางทีมันไม่มีสติสตังมา น, นึกถึงอะไรแล้ว เอาสังเกตดูเวลาเกิดภัยใกล้ตัวนี่มันไม่รู้จะทําอะไรแล้วมันคิดไม่ออกแล้วถ้ามันจะคิดออกก็ต้องคิดตอนตอนที่เรายังไม่เดือดร้อนครับถ้าบอดเดือดร้อนแล้วนี่มันสัญชาตสัญชาติยานมันมาแทนที่ทันทีมันเคยคิดอะไรเคยทําอะไรเคยรักษาตัวชีวิตมันแบบไหนมันก็จะทําอย่างนั้นทันทีครับเหมือนกันนักมวยเคยฝึกซ้อมอย่างไรพอมันขึ้นเวทีมันก็จะต่อยตามที่มันฝึกซ้อมมาครถ้าเราจะต้องการให้มันต่อยดี เราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนสารภาพบาปใช่กานตอนนี้แล้วอย่าไปทําบาปแล้วเวลาใกล้ตายมันก็จะคิดถึงการสารภาพบาปได้แต่ถ้าตอนนี้ไม่เคยสารภาพเลยมัวแต่ทําบาปทําบาปไปเรื่อยๆแล้วพอตายนี่มันจะคิดถึงการสารภาพบาปมันคิดไม่ได้หรอกเข้าใจัครไหมถ้าทําแบบคุณได้ก็สบายตอนนี้ก็ทําบาปให้มันเต็มที่พราะแเวลาตายก็สารภาพบาป มันไม่ได้หรอกนะมีใครอยากจะถามอีกไหมนะ เ, เดี๋ยวขอพูดผ่านทางไม้หน่อยนะครั บ, บาอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าเรื่องของมรรคมีองแปดนะฮะเรื่องของสมาธิติแล้วก็จบลงด้วยสมาสมาธิถ้าเกิดว่าเป็นฆราวาสอย่างเราเนี่ยปฏิบัติ ทั้งแปดข้อนี้อ่าจนจนเข้าใจแล้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าเราจะต้องกลับมาเกิดไหมคือมรรคแปดนี้มันสําหรับใครก็ได้จะเป็นฆรวาวาสก็ได้เป็นพระก็ได้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรคแปดนี้ท่านสอนพระภิกษุ<ม>แต่ใครก็สามารถนำมาทำเปปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้แต่การที่ฆรวาวาสจะปฏิบัติแบบพระนี้มันจะยาก เพราะว่าความสามารถมันไม่เท่ากันเหมือนเด็กอนุบาลไปปฏิบัติกับเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัย อ, อย่างเงี้ย ค, ความคําสอนคําเดียวกันแต่ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนี้มันมันมันไม่เท่ากันเห็นถ้าเป็นพระนี่จ ะ, ลจะเล่นมรรคแปดนี่จะจะง่ายกว่าคารวะไปจะเจริญมรรคแปดรมรรคแปดนี้ก็เหมือนกับทานศีลภาวนานี้ก็มรรคแปดเหมือนกัน แต่ว่าเจ้าเพิ่มอีกข้อหนึ่งขึ้นมาก็คือทานก่อนที่จะรักษาศีลภาวนาได้เนี่ยต้องทำทานให้ได้ก่อนส่วนพระนี่เขาทำทานไปหมดแล้วเขามีเงินทองเท่าไหร่เขาสละไปหมดแล้วเขาก็รักษาศีลเจริญมัรแปดได้เลยมัรแปดก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเป็นเรื่องของไต่สิกขาไต่สิกขาทานศีลภาวนาก็เหมือนกัน ศีลก็ศีลภาวานาก็คือสมาธิและปัญญาเหมือนกันดังนั้นเหมือนกันมักจะเรียกว่าทานศีลภาวานาก็ได้มักแปลกก็ได้เพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัตินี้มีความแตกต่างกันถ้าเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องทําทานแล้วเพราะไม่มีเงินแล้วสละไปหมดแล้วแต่ถ้าเป็นคฆราวาสญาติโยมนี่ยังมีเงินอยู่ต้องสละมันเสียไม่งั้นฉะนั้นมันจะขวางทางเป็นเหมือนสมอเรือ เวลาจะออกเรือนี่ต้องถอนสมองก่อนถ้ายังมีเงินติดตัวอยู่นี่มันจะไม่ไปมันจะไม่ยอมไปภาวนาไม่ยอมไปปฏิบัติมันจะไปเที่ยวไปเล่นเะนนถ้าเป็นคารวะยังมีเงินทองอยู่ก็ต้องสละเงินสะงะังหาเงินเล่าไปบวชพอไปบวชแล้วก็ไปเจริญไตรสิกขาได้ศีล ส, สมาธิปัญญาได้ถ้ายังเป็นคารวะก็ต้องทําทานให้หมดซะก่อนพอเงินหมดแล้วทีนี้ก็จะรักษาศีลภาวนาได้เหมือนกัน แต่มมก็ีควาพูดใกล้ๆหมาต้องใช้ความพยายามมากก็ทุกคนอย่างนั้นเนี่ยตอนต้นก็เป็นค่าวละวาดกันก่อนอย่งนั้นน่ยก่อนที่จะมาเป็นพระได้ก็ต้องเป็นค่าวละวาดก่อนพอศึกษารทำทำของพระเจ้าแล้วเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่วิเศษก็เลยกล้าที่จะสละความสุขทางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปสละทรัพย์ไปแล้วก็ออกบวช อย่างโยงก็สามารถทำได้ถ้าสละทรัพย์ไปก็ไปบวชได้ครับตัดจิตตัดใจไม่ได้เท่าไหร่ก็ลองดูครับออขอโอกาสครับอาจารย์อาจารย์ครับที่พอาจารย์บอก อ, อ, อันนี้คือกรณีคนตัวคนเดียวผมว่าไม่ยากที่จะปฏิบัติแบบนี้ได้แต่ว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะครับก็ต้องกต็ต้องทำตัวให้เป็นคนเดียวเลยเวลาเกิดก็เกิดคนเดียวไม่ได้นะ ก่อนที่จะอยู่ร้ายคอก็อยู่คนเดียวมาก่อนไม่ใช่จังหวะที่ไม่เข้าใจธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติสร้างห่วงเอาไว้แล้วแบบเนี้ยครับก็ใช้ธรรมตัดมันได้ถ้ามีธรรมก็ตัดได้ทุกอย่างครับมาดูพระพุทธเจ้าท่านก็มีท่านก็มีครอบครัวเหมือนกันทำไมท่านตัดได้เพราะท่านมีธรรมท่านต้องการแสวงหาความหลุดพ้นใช่ไหก็นั่นแหละธรรมเลยเห็ น, เ ห, นเห็นโทษ้องการเวียนว่ายตายเกิด ทานเลยะตัดมันถ้าเราละตรงนี้ยังไม่ได้สุดท้ายเราก็ยังมาอยู่ในวัฏจักรเดิมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ต้องยอมรับไปถ้านระบณเวลานี้ไม่ได้ยอมรับไม่ยอมรับมันก็ต้องรับนะมีใครถามบิกไหมครับไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแล้วมันรู้สึกจะคลึ่นฟ้าครึ่นฝนแล้ เดี๋ยวยากอยูอ่ากำลังจะเข้าก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ